ตัญหาจึงดับเพราะตัญหาดับอุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโศกปริเทวะทุกข์โทมานัตและอุปายาจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้ 405, หข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะชาติดับชาราและมรณะจึงดับเพราะชาติดับชาราและมรณะจึงดับใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าเพราะชาติดับชารามรณะจึงดับในเรื่องนี้ข้าพระองทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่า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 พจึงดับใช่หรือไม่หรือว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะอุปทานดับพบจึงดับในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่าข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะตัญหาดับอุปทานจึงดับเพราะตัญหาดับอุปทานจึงดับใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะตันหาดับ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 ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่าข้อที่เรากล่าวแล้ว ว, ว่าเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับ พระสลายตระนดับผัสสะจึงดับใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะสลายตระนดับผัสสะจึงดับในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่าข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะนามรูปดับสลายตระนัจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตระจึงดั บ, ด บ, ด บ, ดบใช่หรือไม่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 ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะอาวิชชาดับสังขารจึงดับภิกษุทั้งหลายเพราะอาวิชชาดับสังขารจึงดับใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะอาวิชชาดับสังขารจึงดับในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าข่า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 ชารามระโสกะปริเทวะทุกโทมนต์และอุปยาตจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้พระธรรมคุณ407เจภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จะพึงกลับละลึกถึงขันธาตุอายตนะในอดีตการว่าในอดีตการยาวนาน เราได้มีแล้วหรือหรือไม่ได้มีแล้วหนอเราได้เป็นอะไรมาหนอเราได้เป็นอะไรมาหนอเราได้เป็นอะไรแล้วจึงมาเป็นอะไรอีกหนอบ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าค่าเธอทั้งหลายเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จะพึงกลับระลึกถึงขันทาธาตุอายตนะในอนาคตว่า ในอนาคตการยาวนานเราจะมีหรือหรือจกไม่มีหนาเราจะเป็นอะไรหนาเราจะเป็นอย่างไรหนาเราจะเป็นอะไรแล้วไปเป็นอะไรอีกหนาบ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าค่าเธอทั้งหลายเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จะพึงมีความสงสัยภายในตนปราลบปัจจุบันการในบัดนี้ว่า เราเป็นอยู่หรือหรือไม่เป็นอยู่หนอเราเป็นอะไรหนอเราเป็นอย่างไรหนาสัตว์นี้มาจากไหนหนาและเขาจะไปไหนกันหนาบ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเธอทั้งหลายเมื่อร <me Kız, S 2> ู้เห็นอย่างนี้จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพระศาสดาเป็นครูของเราทั้งหลายเราทั้งหลายต้องกล่าวอย่างนี้ ด้วยความเคารพต่อพระศาสดาบ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าค่าเธอทั้งหลายเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะตรัสอย่างนี้และเราทั้งหลายผู้ชื่อว่าเป็นสมณะจะกล่าวอย่างนี้บ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าค่าเธอทั้งหลายเมื่อรู้เห็นอย่างนี้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 ควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุทั้งหลายทำนี้ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนเราจึงกล่าวไว้อย่างนี้ องประกอบแห่งการเกิดในคัน408พิสูตทั้งหลายเพราะปัจจัยสมประการประชมพร้อมกันการถือกำเนิดในคันจึงมีได้ในสัตว์โลกนี้บิดามารดาอยู่ร่วมกันแต่มารดายัางไม่มีฤดูและคันทัพพะยังไม่ปรากฏการถือกำเนิดในคันก็ยังมีไม่ได้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 มานดาย่อมรักษาทารกในคันนั้นเก้าเดือนบ้างส0บเดือนบ้างจึงคลอดทารกผู้เป็นภาระหนักนั้นด้วยความกังวลใจมากและเลี้ยงทารกผู้เป็นภาระหนักนั้นซึ่งเกิดแล้วโดยโลหิตของตนด้วยความห่วงใยมากน้ำนมของมานดานับเป็นโลหิตในอริยวินยัยกุมารนั้นอาศัยความเจริญ และความเติบโตแห่งอินทรีย์ทั้งหลายย่อมเล่นด้วยเครื่องเล่นสาหรับกุมารคือถ่เล็กๆตีไม้หึงหกคาเมนเล่นกังหันตวงทรายรถเล็กธนูเล็กภิกษุทั้งหลายกุมานั้นอาศัยความเจริญและความเติบโตแห่งอินทรีย์ทั้งหลายอิ่มเอิบพร้อมพรางบำเรออยู่ด้วยกรรมคุณห้าประการ ครูปที่จะพึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน้าใกล้น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัด 2. เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู 3. กลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูส 4. รสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น 5. ้าผดทพัชที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน้าใกล้ น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัด409กุมานั้นเห็นรูปทางตาแล้วกำหนัดในรูปที่น่ารักขัดเคืองในรูปที่ไม่น่ารักเป็นผู้มีสติในกายไม่ตั้งมั่นและมีจิตเป็นกามาวจรอยู่ไม่รู้ชัดถึงเจโตวิมุต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 ติดใจในเวทนานั้นอยู่ความเพลิดเพลินก็เกิดขึ้นความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายเป็นอุปทานเพราะอุปทานเป็นปัจใจพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจใจชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจใจชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนต์และอุปยาจจึงมี ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้ฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผดถับพทาทางกายรู้แจ้งธรรมรมทางใจแล้วกำนัดในธรรมรมที่น่ารักขัดเคืองในธรรมรมที่ไม่น่ารักย่อมเป็นผู้มีสติในกายไม่ตั้งมั่นและมีจิตเป็นก ร, รมวจรอยู่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 บ่นถึงติดใจในเวทนานั้นอยู่ความเพลิดเพลินก็เกิดขึ้นเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโศกะปริเทวะทุก์โทมนัสและอุปยาจจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้ยอย่างนี้ พระพุทธคุณ410ภิษุทั้งหลายตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันตตรัส ร, รู้ด้วยตนเองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจจรณะไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกพูดที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาคตถาคตนั้นรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมาลโลกพรหมโลกและสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยตนเองแล้วจึงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนข้าหาบดีบุตรข้าหบดีหรืออนุชนคือผู้เกิดภายหลังในตระกูลใดตระกูลหนึ่งย่อมฟังธรรมนั้นฟังธรรมนั้นแล้วได้ศรัทธาในตถาคตเมื่อมีศรัทธาแล้วย่อมตรหนักว่าการอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัดเป็นทางแห่งทุลี การบวชเป็นทางปลอดโปรง่งการที่ผู้อยู่กรองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ่วนดุดสังขัดนี่ใช่ทําได้ง่ายทางที่ดีเราควรโกนผมแล่หนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตต่อมาเขาลาัดทิ้งของโภคสมบัติน้อยใหญ่และเครือญาติน้อยใหญ่โกนผมแล่นหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพั์ ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตศิกขาและสาชีพของภิกษุ411เขาเมื่อบวชแล้วอย่างนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศิกขาและสาชีพเสมอด้วยภิกษุทั้งหลายคืนหนึ่งละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันทาวุธและส์ ร, ราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตย์อยู่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 ดำรงความสัตว์มีถ้อยคาเป็นหลักเชื่อถือได้ไม่หลอกลวงชาวโลก 5. แล้วเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดคือฟังความจากฝ่ายนี้แล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทาลายฝ่ายนี้หรือฟังความจากฝ่ายโน้นแล้วไม่มาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโ น, น้นสมานคนที่แตกกันส่งเสริมคนที่ปรองดองกัน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 พูดแต่คำจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมพูดอิงวินยัยพูดคำที่มีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่การเวลาแปเว้นขาดจากการพรากพืชคำและภูตคาเก้าฉันมื้อเดียวไม่ฉันตอนกลางคืนเว้นขาดจากการฉันในเวลาวิกาลสิบ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 สิบสี่เว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบสิบห้าเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบสิบหกเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารสิบเจ็ดว้นขาดจากการรับทาตหญิงและทาตุชายสิบเว้นขาดจากการรับแพะและแกะ19เก้าเว้นขาดจากการรับไก่และสุกรยี่สิบ เว้นขาดจากการรับช้างโคมาและลา21เว้นขาดจากการรับเลือกสวนไรนาและที่ดิน22เว้นขาดจากการทำหน้าที่ที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสาร23เว้นขาดจากการซื้อการขาย24เว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมและด้วยเครื่องตวงวัด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 จะไปณที่ใดๆก็ไปได้ทันทีนกมีปีกบินไปณที่ใดๆก็มีแต่ปีกของมันเป็นภาระบินไปแม่ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้สันโดษ ด, ด้วยจีวรพอคุ้มร่างกายและบินธบาตพออิ่มท้องจะไปณที่ใดๆก็ไปได้ทันทีภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยาศีลขันนี้แล้ว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 ถึงความสำรวมในจักขคุณสีฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโพธพพาทางกายรู้แจ้งธรรมรมทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อความสำรวมมานินสีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุศลธรรมคืออภิชา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 การเหยียดออกการครองสังคติบาทและจีวรการฉันการเดิมการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจรปัสวะการเดินการยืนการนั่งการหลับการตื่นการพูดการนิ่งการทำจิตให้บริสุทธิ์412 พิษุนั้นประกอบด้วยอริยะศีลขันอริยะอินทรยสังวรและอริยะสติสัมปัญญะนี้แล้วพักอยู่ณเสนาสนะเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าทึบที่แจ้งลอมฟางเธอกลับจากบินธบารภายหลังฉันพัฒหารเสร็จแล้ว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 ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากพยาบาทและความมุ่งร้ายละถีนมิทธะความหดหูและเสื่องซึมปราสจากถีนมิทธะกำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทธะละอุทะจากุกุจจะคือความหุ่วงซ่านและความรำคาญใจเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ภายใน ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทจจากกุกจจะละวิจิกิจฉาความลังเลสงสยัยข้ามวิจิกิจฉาได้แล้วไม่มีวิจิกิจฉาในกุศลธรรมอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาสี่ร้ิภิกษุนั้นละนิวรหประการ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 พราะชาติดับชรามรณะโศกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปยาตของภิกษุนั้นจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้ฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผดทัพพระทางกายรู้แจ้งธรรมรมทางใจแล้ว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 เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึง่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์มิใช่สุ ข, ขก็ตามก็ไม่เพลิดเพลินไม่บนถึงไม่ติดใจในเวทนาเมื่อภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่บนถึงไม่ติดใจในเวทนานั้นอยู่ความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายจึงดับไปเพราะความเพลิดเพลินดับ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 โดยยอดของเรานี้อันหนึ่งเธอทั้งหลายจงทรงจำสาติภิกษุบุตรชาวประมงว่าเป็นผู้ติดอยู่ในข่ายคือตัญหาและกองแห่งตัญหาใหญ่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหลมหาตัญหาสังคยสูตรที่แปดจบ